ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพุทยานได้นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามาถึงตอนที่เสด็จประทับภายใต้ต้นไทรเชื่อจปานนโครดแล้วพระยามาได้มารอมตัวมากราบถูนรัตนาด้วยวิธีการต่างๆ แล้วจนถึงที่ดามาันมาไปจนพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มีข้อความในพระสูตรอีกพระสูตรหนึง่งแต่รับสั่งเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นคำเล่าที่ย้อนต้นหรือตอนที่ทรงปรงประชนมายุสังคารที่ปาวาลเจดีเมืองไพรส์ลี เมื่อพระนนทราบเช่นนั้นก็กราบทูลนรัตนาให้พระพุทธเจ้าดบรงบัญชนอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับหรือคำว่ากับในที่นี้ก็หมายถึงกับอายุคนในสมัยนั้นกับอายุก็ประมาณหนึ่งร้อปีแต่พระเจ้าก็ทรงให้เหตุผลว่าเป็นการปฏิบัติไปตามที่ทรงตั้งพระทยเอาไว้ ตามปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พญามาณแล้วภารกิจที่พระองค์จะต้องทำในฐานะเป็นศาสดานั้นก็เสร็จแล้วแต่รับสั่งว่ากิจใดที่ศาสดาผู้อินดูต่อเธอทั้งหลายผู้เหล่าสาวกตถากฏก็ได้ทำแล้ว่อนการมินิพานของพระองค์ก็จะมีต่อจากนั้นไปอีก3มเดือนก็อย่างที่ทราบกันหรือเป็นเดือน6 ทีนี้ข้อความในตอนนั้นเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่น่าศึกษาเพราะถ้าเราจับหลักการเผยแผ่ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะพบว่าอย่างแนวของอวาทปาติโมกเป็นลักษณะของอุดมการหลักการวิธีการแต่ถ้าเรามองถึงโครงสร้างของปณิธาน ในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆนั้นมันก็มาอยู่ในข้อที่รับสั่งเล่าเกิดระนนน์นั่นเองคือปรยายมานเมื่อผิดหวังจากการที่จะหลอกลวงพระพุทธเจ้าและด้วยการกระทำของทิดามานเองก็ไม่ประสบความเสม็เรแล้วก็เข้ามาขาพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับภูณราธนาให้นิพพานโดยให้เหตุผลว่าโรงก็เสร็จภารกิจในส่วนโรงแล้วต้องการจะหลุดพ้นจากกิเลสจะสังสารทุกโรงก็ประสบความสาเร็จแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ทรมานผัววรากายและรับความลำบากก็ควรจะนิพพานได้แล้วพูะเจ้ารับสั่งเป็นรูปของพระพุทธปนิฐาน โดยใจความนะครับว่าพระองค์จะลำรงพระชนอยู่เพื่อทำงานสี่อย่างให้เสร็จไปก่อนงานและสี่อย่างนั้นก็คือหนึ่งให้การศึกษาแก่พุทธบริษัททั้งหลายคนใดท่านกท่านต้องฟังลองสังเกตนะว่าในขณะนั้นที่จริงมีเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นยังไม่มีพุทธบริษัท ถ้าเราจะถือว่ามีก็คือมีท่านตาบุษะพันลรริกาที่มาแสดงตนเป็นเววาจิกาอุปสก ค, คือถึงพระพุทธกระพระ ร, รม h a m เป็นที่พึ่งคู่แรกในโลกนอกจากนั้นก็ยังไม่ได้มีใครแต่มันได้แสดงให้เห็นเรื่องโครงสร้างหลักของความเป็นพระพุทธศาสนาโครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนานั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักมีหประการ ไม่ว่าจะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็าตามเพราะว่าในคติของเทราวาทนั้นถือว่าเรามีพระพุทธเจ้าในอดีตและจะมีพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่เกิดพร้อมกันในจักรวาลเดียวกันสององค์ เพราะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นจากการสัตว์ดีสัตวูชอบด้วยองค์เองแต่นี้ถ้าถ้าเกิดพร้อมกันสององค์ก็แสดงว่าองค์หนึ่งก็ไม่ได้จัดสรุ่เองคือต้องเรียนจากอีกองค์หนึ่งทีนี้ถ้าเกิดพร้อมกันเลยจัดสรูปพร้อมกันเลยท่านบอกว่าเป็นอาธานะยคือเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นโดยพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ย มันจะมีโครงสร้างโครงสร้างหลักในห้าประการประการหนึ่งคือมีศาสดาซึ่งจะถือกำเนิดในตระกูลพรามกับตระกูลกษัตริย์แล้วจะออกบมเพ็ญเพียรแสวงหาทางศัตรุโอกาสเี่ศัตรุนั้นอาจจะเร็วอาจจะช้านะพระพุทธเจ้ารอที่จึงค่อนข้างช้าเพราะว่าใช้เวลาตั้งหกปี ก็เคยพบประวัติของบางพระองค์ก็ไม่ค่อยนานแต่ก็สรุปว่าเป็นการสการสัตว์ดีสัตชอบโดยปรองเองท่านผู้นี้ก็อยู่ในฐานะที่เป็นศาสดาและศาสดานั้นก็จะสั่งสอนคำสั่งสอนก็จะออกมาในสองแนวแนวหนึ่ที่เราเรียกว่าเป็นพระวินัยคือเป็นบทบัญญัติก็เป็นข้อห้ามแล้วก็ข้อควรประพฤติปฏิบัติ ตามสมควรแก่สถานะของพุทตบริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในกรณีที่เป็นบัญญัติหลักจะบัญญัติเฉพาะกลุ่มนักบวชหรือกลุ่มของภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีแล้วก็นางศิกขามานาสำหรับกลุ่มของอุบาสกบาจิกานนั้นจะมีลักษณะเป็นคำการสั่งสอนหรือการชี้บอกให้ แม้แต่ศีลก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่จะควบคุมความประพฤติของอุบาสกบาซิกาเพียงแต่ว่าทรงสแสดงให้เห็นว่าคนดีในโลกนี้เขาเป็นอย่างเนี้ยอุบาสกบาสิการะดบรับรัตนะนี่เขาเป็นอย่างเนี้ยคือถ้าต้องการจะเป็นก็ต้องปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องการจะเป็นก็เป็นเรื่องของความสมัครใจเพราะเราจะไปควบคุมบังคับสั่งการและไรเขาไม่ได้คือเป็นความสมัครใจของเขาเอง พระเจ้าก็จะส่งชี้บอกให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่านั้นและส่วนหนึ่งก็จะเป็นธรรมะก็คือพระธรรมคําสั่งสอนเป็นการแสดงถึงกลุ่มของกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัปยาคตะธรมธรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆธรรมะที่ดีธรรมะที่ไม่ดีโดยสภาพ ก็ให้บุคคลในเลือกเฟ้นนำไปประพฤติปฏิบัติเราเองทรงแสดงเหตุทรงรับรองผลแต่ว่าผลยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลในนำไปประพฤติปฏิบัติเสียก่อนแล้วต้องปฏิบัติถูกต้องด้วยนะฮะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็ไม่เกิดตามนั้นเพราะการชี้อบอกในลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับการชี้อบอกแผนที่เดินทางให้เกี่ยวกับผู้ชี้บอกนั้นไปมาแล้วก็พบเห็นมาแล้ว แต่ว่าคนที่รับการชี้บอกนั้นยังไม่เคยไปแต่ถ้าเขาไม่ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นอย่างที่ว่าแต่ถ้าไปแล้วก็จะพบเห็นตามที่บอกเอาไว้คือหมายความมารับรองผลแต่ว่าคนจะต้องไปตรวจตามเหตุธรรมะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นเหตุเพราะผลมันเป็นเรื่องสัมผัส สตยตรงส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเอาเข้าจริงมันก็พูดกันยากนะฮะคล้ายๆใจเราจะอธิบายเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรคือความเข้าใจเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันรานหลักคําสอนเนี่ยเป็นคําสอนที่มีเหตุคือเป็นเหตุโดยมา ก, ก น, นะฮะเป็นเหตุแล้วก็เหตุส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มกุศลธรรมส่วนเหตุตรงนี้สรุปรวมว่าเป็นาศาสนธรรมก็มีาศาสดามีาศาสนธรรม แล้วก็มีศาสนิกศาสนิกก็คือคนที่ยอมรับนับถือพระธรรมวินัยที่พระเจ้าส่งบัญญัติแล้วก็สรงแสดงนะฮะพระวินัยนี่ส่งบัญญัติแต่ธรรมะนี่ส่งแสดงจะดหมายความว่าธรรมะมันเป็นกฎที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดวยธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าค้นพบ ก, ก็นำมาเปิดเผยชีแดงชี้แจงแสดงให้ศาสนิกในศาสนาทราบในฐานะของความเป็นคุณเป็นโทษ แล้วสถานะของธรรมะเหล่านั้นคุณของธรรมะเหล่านั้นโทษของธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ายวิธีที่จะช่วยคนออกจากส่วนที่เป็นโทษมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นคุณก็ทั้งหมดเป็นการชี้บอกให้สาสนิกมายึดถือประพฤติปฏิบัติดามท่านท่านเหล่านี้กลุ่มหนึ่งก็เป็นนักบวชกลุ่มหนึ่งก็เป็นค า, ารวะ ทั้าสองข่ก็เปลี่ยนแปลงได้นะนักบวชอาจจะกลับเป็นฆราวาสก็ได้ฆราวาสอาจจะกลับเป็นนักบวชก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะมีกฎมีระเบียบมีจรียในการประพฤติปฏิบัติเพื่อควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในคันลองของศีลของวินยัยตามสมควรแก่ฐานะของท่านเหล่านั้นเดีแต่ถ้าเป็นฆราวาสส่วนใหญ่ก็จะพูดนี่แหละก็จะพูดระดับศีลห้าศีลอบวชสดศีลแปด ส่วนมากก็จะพูดกันขนาดนี้ระดับศีลนะฮะธรรมะก็ว่ากันไปตามพื้นเพ จ, จริตตัตยาสัยของบุคคลดอกนั้นที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้แต่นั้นก็จะเป็นเรื่องของาศาสนสถานหรือาศาสนสถานนั้นก็เกิดขึ้นจากคนเขาไปได้รับผลจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมะ แล้วก็ปรารถนาที่จะให้าศาสนบุคคลฝ่ายที่เป็นบนรรพชิตด้วยคือได้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็าศาสนาไอศาสนิกที่เป็นคราว่าดเนี่ยไปใช้เป็นสถานที่บาําเพ็ญบุญบุณกุศลด้วยก็มีการสร้างาศาสนสถานขึ้นก็ส่วนใหญ่ในตอนตอน้ตนๆก็สร้างในรูปป่าเนี่ยเป็นหลักแลยใช้เศนาสถานป่าเนี่ยเป็นพื้น ก็มีอาการบ้างหมากบ้างน้อยบ้างนะตอนร้นๆก็มีไม่ค่อยมากเท่าไรแล้วก็ขยายตัวออกมาจากนั้นก็จะมีศาสนาพิธีคือรูปแบบพิธีกรรมซึ่งพทธเจ้าทรงแสดงเองบัญญัติไปเองแล้วก็สิ่งที่ศาสนาเราเปผยแผ่ไปไปประสานสัมพันธ์กับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตของท้องถิ่นเหล่านั้นเพื่อประสมกลมกลืนให้ตัวเองก็อยู่ได้นะขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านั้นก็อยู่ได้เพื่อไม่เกิดความแตกแยกในการหล่อหลอมคนได้หลายพื้นฐานเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นพวกเดียวกันภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนที่ให้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวร่วมกัน อันนี้ก็เป็นโครงสร้างไม่ใช่เฉพาะพระพุทธศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาเฉพาะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราพระเจ้าองค์ก่อนๆก็มีโครงสร้างของศาสนาอย่างนั้นคือมีองค์ประกอบ5ประการนะครมีศาสดามีศาสนธรรมมีศาสนิกมีศาสนาสถานแล้วก็มีศาสนาพิธีตอนพุทธธรรมหักที่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่เพื่อให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท คือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาตามพระสัจธรรมทีนี้ประเด็นของพระสัทธรรมคือคำสอนทั้งหมดเนี่ยคือเรามักจะมองในแง่เวลาเนี้ยโดยเฉพาะพวกกรรมฐานเนี่ยมักจะพูดในธรรมนองไม่ค่อยเคารพต่อพระไตรปิฎกได้ยินบ่อยนะฟังเทพบ้างได้ยินธรรมพลาดออกบทรัตน์บ้างออกวิทยุบ้างหรือแม้แต่ขีดเขียนออกมาน คือมองพระไตรปิฎกเป็นตำร า, ลาคล้ายๆกับตำราอะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่ได้สืบสาวไปถึงที่มาว่าพระปริยัติสัจธรรมที่จะรึกเป็นรายลักษณ์อักรในพระไตรปิฎกโดยสถานะจริงๆเนี่ยเป็นปฏิเวทสัจธรรมมาก่อนคือเป็นธรรมะจากหะไทยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงหลังจากได้จัดสรุแล้ว เพราะฉนเมื่ออยู่ในพระทัยก็มีฐานะเป็นสัมผัสตรงของพระองค์แล้วก็แสดงแก่ศาสนิกพอเข้าหูศาสนิกมันก็เป็นการฟังตรงนี้ก็เป็นเป็นปริยัตนะเป็นปริยัติสัจธรรมสมัสศาสนิกนะเราจะเอามาเขียนก็ได้เอาฟังก็ได้นะฮะโดยสื่อโดยวิธีใดก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นผลจากการปฏิบัติเนี่ยชื่อว่าเป็นปริยัติอยู่นั่นแหละ อาจจะเป็นสัญญาณก็ได้อาจจะสนทนากาันก็ได้อาจจะเทศก็ได้ปาตากถาก็ได้เขียนเป็นหนังสือก็ได้อะไรก็ไม่รู้แหล ะ, ะคือหมายความว่าการเรียนรู้รับการเรียนรู้เนี่ยก็เรียกเป็นปัสัทธ์รรมเป็นปริยัติสัทธธรรมเมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติสัทธธรรมทีนี้เวลาเกิดผลเนี่ยนะฮะเกิดผล น, นั้นจะต้องตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เพราะนั่นคือเนื้อเมื่ อ, เ น, อเนื้อหาจริงๆคือปฏิเวทเห็ดเล่าตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาเนี่ยทำหน้าที่ขจัดขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครือขคลงสงสัยขจัดโลภะขจัดโทส ะ, ทะคือตามปริมาณของศรัทธาที่เขาเพิ่มขึ้นวันเคยก็ตามรู้สึกว่าตนมีศรัทธาเนี่ยดูที่ว่าใจเป็นยังไง ใ, ใจเรายังมีความไม่เชื่ออยู่ไหม ใจยังมีความเคลือแคลงสงสัยอยู่ไหมหรือว่าใจเนี่ยเห็นโทษของโลภะและพร้อมจะลดละได้ไหมใจแต่เห็นโทษของโทสะและพร้อมจะลดโทสะลงไปได้ไหมถ้าอะไรไม่ลดเลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่สรัทธาจริงเพราะอะไรพระธรรมะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอกุศล ทำนองแก้ายๆเย็นปรากฏเนี่ยร้อนต้องหายพขเย็นกับร้อนเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างหนึ่งปรากฏอย่างหนึ่งต้องไม่ปรากฏแล้วถ้าเขาเกิดปรากฏก่ำกึ่งกันเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยเขาเรียกาสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวตะท่านจะครอแล้วหนาวร้อนๆไม่สนุกเนี่ยอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้น เ, นเพรา ะ, ะนนเราก็สามารถตรวจสอบดูใจเราเองได้ หือว่าเราบอกว่าเรามีสมาธิเนี่ยเราจเจริญสมาธิเราได้สมาธิเรามีสมาธิเราสัมผัสสมาธิก็แล้วแต่จะพูดเราก็ดูว่าถ้าสมาธิเนี่ยต้องไม่โลภเพราะสมาธิมันเป็นปฏิปักษ์คือเป็นข้าศึกต่อความโลภถึงแม้ท่านบอกว่าท่านมีสมาธินี่ท่านยังโลภอยู่หรือเปล่าถ้ายัางโลภ ก, ก็แสดงว่าท่านยังไม่มี่ท่านยังไม่มีสมาธิ พอสมาธินั่นเป็นปฏิปักต่อการมาฉันคือใจที่เหนียวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่ตนเองใคร่ปรารถนาพอใจอาจจะเป็นเรื่องทางเพศหรืออาจจะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของก็ตามเรา อ, อาจจะเรียกว่าราคะหรืออาจจะเรียกว่าโลภะหมายความว่าใจไม่กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายถ้าเป็นเช่นนั้นก็พิสูจน์วใจมีสมาธิ คือบอกว่ามีปัญญาปัญญานั้นจะต้องขจัดโมหะคือขจัดตัวโง่ออกไปได้แน่นอนแหละคนเราขาจัดโง่ไม่หมดหรอกแต่ยังไม่บรรลุมากคลเป็นพระหันนะฮะเพราะอาวิชามันเป็นรากของกับปกิเลสทั้งหลายคนที่จะขจัดได้หมดจริงๆนะต้องเป็นพระอรหันต์คือเข้าถึงวิชาที่สมบูรณ์อวิชาก็จะหมดไปอย่างสิ้เนเชิงเพราะก็ตรวจสอบเที่ยวเคียงอยู่อย่างนี้ แล้วถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้รับขนตามนั้นหรือ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าเ อ, าเองเรามีเป็นอันมากที่มันเกิดขัดแย้งกันที่ก็บอกกับกรรมาฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอหรือกรรมาฐานขี้โลภนะอะไรตัวเนี้ยคือมันขัดแย้งกันนะนักกรรมาฐานต้องไม่โลภถ้าโลภก็ไม่ใช่กรรมาฐานแล้วท่านจะเลือกได้อย่างเดียวตนเองฮะท่านแสดงความโลภหรือแสดงความสงบจากความโลภ กกรรมฐานนั้นแสดงอาการออกมาในรูปสงบจากความโลภแต่ความโลภนั้นแสดงถึงใจที่บรรผูใจที่บรรควา้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองเพื่อครอบครองเพื่อความเป็นใหญ่เพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของในสิ่งต่างๆผลปริยัติศาสธรรมเป็นธรรมะจากหะไทยของพระพุทธเจ้าจึงมีสถานะเป็นปฏิเวท โดยสถานะการปฏิบัติของคนจึงต้องผ่านการศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลคือสัมผัสผลเช่นเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ถ้ากัดแย้งกับที่ทรงแสดงเอาไว้ก็สแสดงว่าไม่จริงสิ่งที่เราสัมผัสนั้นไม่ใช่ผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะเช่นบอกว่ามีศรัทธาแต่ยังมีความไม่เชื่ออยู่นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะศรัทธามันอยู่สูงกันข้ามกับความไม่เชื่อ ประการที่สองก็คือให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามพระสัตยธรรมคือธรรมะที่ทรงประกาศที่แจงเปิดเผยแสดงสั่งสอนก็ทําให้ตื้นนี่แหละสาสะนิกก็นํามาในที่นี้ทรงใช้คําว่าพุทธบริษัทนะพุทธบริษัทจึงนามาประพฤติปฏิบัติคือใช้พุทธบริษัทเนี่ยใช้ใช้คําแค่สี่คำพิษูภิษุนีประสงค์ประสิกาแต่ว่าคณะบุคคลจริงๆเนี่ยสามารถย่อยออกไปได้ โดยเฉพาะสายนักบวชเนี่ยย่อยไปเป็นห้าประเภทพระห้าประเภทเนี่ยท่านเรียกว่าสรธรรมมิกหรือสระพรามจา ร, รีสระธรมมิกก็คือผู้ประพฤติธรรมร่วมกันได้แก่ภิกษุภิกษุณีสำเนนสำเนรีนางศิกขมานาอุปสมุบปสิกาส่วนมากก็เรียกรวมๆแต่ว่าถ้าเด็กๆ เ, เขาเรียกกูมานกูมารีอะไรแต่ไหนก็แล้วแต่เวลานี้คนก็ไม่ค่อยชอบ เรียกเป็นอุบสกบัซิกาไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าจะแกะ่แต่ที่จริงอุบาสกบาิกามันแสดงอะไรนะแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยไม่ใช่ธรรมดานะภาษาที่ไม่ใช่ธรรมดาคือผู้ใกล้ชิดพระรัตนารครแล้วถ้าหากว่ามีคุณธรรมเหมาะสมตามที่ทรงแสดงไว้ก็กลายเป็นอุบาสกแก้วบาซิกาแก้วเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระรัตนารครชั้นดี ชื่อเนี่ยสแสดงถึงเป็นธรรมรังสีคือ ร, รัศมีแห่งธรรมที่แผ่คลุมมาสู่คนเหล่านั้นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการศึกษาปฏิบัติสัมผัสคุณปรัรถนาใจด้วยใจตนเองได้สักระดับหนึ่งนฮะก็ถือว่าใกล้ชิดปรารตนายแล้วแต่กว่าจะถึงประสบรัตนอุบาสิการัตนะหรือไม่นั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่ง แล้วก็ให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรมถึงข้อนี้เพงสังเกตนะฮะถ้าเราเรียนพระสัทธรรมเนี่ยเราไม่เราเรียนเป็นปริยัติศัทธรรมคือเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติสัทธรรมคือการนําเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้นั่นเองมาประพฤติปฏิบัติแล้วปฏิเวทศัทธรรมเป็นผลผลนั้นกล่าว โ, โดยสรุปก็คือเป็น ปัญญาเป็นความบริสุทธิ์เป็นความเป็นโลกทัศน์ที่มองโลกมองชีวิตด้วยความเมตตากรุณามาก บ, บ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แหละแต่ว่าท้ายสมบูรณ์จริงๆเนี่ยหมายความว่ามีปัญญาสมบูรณ์กิเลสจิตใจบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้วก็กรุณาเป็นสากลแต่ถ้าระดับนั้นมันเป็นระดับพระอาหารหันต์ไปแล้วระดับพระปัจจุบพระพุทธเจ้าไปแล้วคนเราอย่างไงยังไงมันก็เดินยากนะ เพียงแต่ว่าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นจิตใ จ, ใจใทีนี้ตรงนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นผลสรุปมันเหมือนการชวนคนกินอาหารเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องอิมมอ่มไม่อิมอ่มมันก็กินกันจนอิ่มเองเขาแหละแต่เมื่อเราได้สัมผัสผ ล, ผลแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นเรื่องที่สําคัญคือโลกทัศน์เนี่ยการมองโลกเนี่ยมองโลกหรือเราอาจจะพูดวิสัยทัศน์ในปัจจุบันแต่โลกธาตุคือการมองโลกเนี่ยเราต้องมองด้วยความเป็นมิตร แล้วเกิดสงสารเขาต้องการให้เขาได้รับผลอย่างที่เราได้รับด้วยตำนองแรกๆกับเรากินของอร่อยแล้วก็อยากให้คนที่เรารักได้กินด้วยจึงเสื้อหา้างเ่านั้นไปฝากผลรูปุจจ ա พระหารทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์และแม่ตัวบาสกบาติกาทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านได้ผ่านระบบ ก, การศึกษาการปฏิบัติจนท่านได้สัมผัสผ ล, ลตามกำลังความสบมาถของท่านแล้วเนี่ยท่านเคช่วยกันเผยแผ่พระสัทธรรม ทีนี้พระสัทธธรรมเนี่ยเราอย่าลืมว่าดีวิเศษยังไงก็ตามไม่ใช่เป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายเพราะยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าพระสามารถสอนให้คนเลิกยาบ้าได้เลิกเสพยาบ้าได้นะพระตัวนั้นก็ขึ้นแบล็คลิส ท, ทันทีนะอยู่ในบัญชีดำของพวกค่ายาบ้าทันทอดังนั้นธรรมะเนี่ยที่จริงมันเป็นเป็นอุปสรรคเป็นโรวขัดขวาง คนชั่วทั้งหลายหรือเป็นตัวขจัดบาปอกุศลทั้งหลายแต่นั้นศาสนาเองจึงมีข้าศึกมีศัตรูที่จะมาเบียดเบียนบีธากันด้วยประการต่างๆซึ่งเราจะค่อยเจอในโอกาสต่อไปนะเพราะฉนั้นพยามารเองก็กลัวกลัวว่าพระพเจ้าหลุดรอดจากอำนาจตนเองแล้วก็สอนให้คนอื่นหลุดรอดจากอำนาจแก่ด้วยเพราะนั้นจึงขอให้พระเจ้านิพพาน แต่พระเจ้าก็มีพระพุทธเมตฐานเอาไว้ตั้งกล่าวสามข้อเนี่ยข้อสุดท้ายก็เมื่อมีประปรัพวาสการกล่าวจุ่งจับปิดเบือนใส่ใครต่อพระพุทธศาสนาในพุทธบริษัทต้องสามารถแก้ไขประปรัพวาสเหล่านี้ได้หรือเมื่อวันนั้นมาถึงพระองค์ก็จะไป น, นิพพานเหตุการณ์ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่แน่ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังกับการเฝ้าของท่านสามบดีพรมเพราะในพระบาลีท่าไม่ได้บอกไว้ต้องฟังอท่าไร แร่ลบประพฤตยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญององามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี